อ้าตั้งจิตตั้งใจอถ้าต like <resident. S 2> <to> ั้งใจทําอะไรมันก็ได้หมดไปทําอะไรอะไรมันก็ได้หมดถ้าตั้งใจทําที่มันไม่ได้ก็ไม่ตั้งใจไม่ได้เวลาใดก็ได้ในวันไม่้ไม่ได้ตั้งใจทำนี่ไม่ค่อยตั้งใจทำทำหยอกหยอกแย่แย่เงียบเนียนน้อยแบบเพื่อหนีตายเลยอือ ไปฟังร้องปูสีแต่สีนีร้องปูซีมหาวิโลนหุ่นมาถ่ายลงไปซีว่าอุนซีขึ้นหาวัแเทเดียวสาห่อนี้ม้าไก่เปลีนห้าวันเอาแตะหนามใช้กาเอะไรห้ามันสิตายมันหิวไรเขาเขากินมอชันเอาแตะหนามย่างเดี๋ยวซีขึ้นหาวัน จังเอาสนาได้ความขีขบขันกิเลสบกมืออื้อนมืออะเอาสนาอื่อนมาได้บกเดียวบกเดียวบกนันนี่แล้วมันมาอยู่นี่แหละพวกเราถ้าอยากได้มันได้จริงจยงจางขึ้นมาถ้าอยากได้ทาย่อๆแยะๆก็ผลัดกันมากันพุ่งไปพอให้ ได้เวลาได้โอกาสกับมมกับเพื่อนไปมันไม่ได้รอกข้าให้มันตายาให้มันออกเกลียดเลยทำลอกไม่ให้มันเหลือเลยมันยังจะอาวิชานะมันจึงจะเป็นไปได้พ่อแม่หรือว่าอาจารย์หนังโอสีวันหคืน ยังขนาดนั้นสวา่างต้งตาไม่ไทันถึงขนาดนั้นแปลว่าพยายามจะนอนวันละสองชั่วโมงตั้งสัจจะใส่ไม่ให้เืียเก้าอี้ไม่ให้เพียงเสาพิงพนักเลยรถือว่านอนต้องสู้เอาจริงจริงจัวันละนอนนอนวันละสองชองั่วโมงเจ็ดปีแปดปีปีที่เปี่ย ก็เลยหยุดเดินปัญญาในตัวคิดว่าท่านรูปผูป่ว ง, งหมดแล้วเพรขวัญขนาดขวัญแล้วนี่พวกเรายังจะทําวังเื่นก็ไม่นอนเหมือนกันนะมันไม่หลับอยากภาวนานะเลยตีสองไปหมดเลยไปเลยใส่ตีสี่ีีห้าไปเลย คิดว่ามันจะเหนื่อยมันจะเพียรเพียรยิ้มกับเพื่อกระเป๋าก็ยินยิ้มย่อมขึ้นมามันอยากไปเสียดายความม่วงเขาเขานอนความนอนอาหารอารกันการมุ่งเขาเขานอนเราแก่มันอยู่อดนอนสองอาหารพร้อมม่งอาหารไม่ได้อดอดบางทีกระเพาะไม่ได้ทํางาน กระเพาะไม่ได้ทางานมันจะเป็นอันตรายนลวงปู่หลวงพ่อให้คนหลวงปูคนดีไม่ไม่ค่อยส่งเสริมแต่หลวงตามหาบวัวเนี่ยส่งเสริมท่านได้แบบนี้ได้แบบยงอดาคานนั้นแล้วแต่กุศโลโบายของใครของเราดอกการกระทําอธิบายไปฟังหมดแล้วก็แค่อาณาปานสตินี่แหละ ขั้วใหญ่มันอยู่นี่ที่อานาปานสตินี่อยที่ลมหายใจนี่ท่านห้าก็อยู่นี่สติประทานสีก็อยู่นี่อเดียวกันพานาิจารณาดูให้มันเห็นเห็นการกาัก า, ยกายก็เห็นลมหายใจพอบอกเนะสติประทังสี่เห็นเวทานาเวทานาเกิดขึ้นก็จกงังลมหายใจนี่ลมหยามลมละเอีย เกิดโศกเวเวรนาทุกเเวรนามันอยู่ในนี้เห็นกิดในกิตความคิดเรื่องอะไรคิดก็คิดไปออกลมหายใจนี่เวลาคิดดีคิดไม่ดีมันก็อันเดียวกันลมเราเป็นยังไงลมหายใจเป็นยังไงคิดดีคิดชั่วคิดโลกคิดโกรธคิดลมมันอยู่ที่ลมหายใจอยาบละเอียดตรงนี้ เห็นจิตในจิตเห็นจิตในลมหายใจเรยลมหายใจมันก็มีจิตอยู่ในนั่นความคิดมันก็เกิดจากนี่ไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนเห็นทำในทำมันอยู่ที่นี่เห็นธรรมดาเห็นลูกทั้งน้ำทั้งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นทำในทำเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสติปัฏฐานสี่ก พูดเรื่องกายกับใจกายก็คือลูปลูกก็คือกายเวรณ า, ากิจก็คือนามลูป ก, กับนาม ก, ก็คือพันธะเห็นธรรมไม่ธรรมเห็นพันธะลูปธรรมนามธรรมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้ไปเห็นที่อื่นหรอกเห็นความคิดเกิดเกินตั้งอยู่ดับไป เห็นเนเนาปัจจัต t e r เธอนามันเกิดมันดับมันไม่มีเจ้าของเห็นมันไม่มีเจ้าของไม่มีสรรพตนตัวตนอย่างนั้นเวลาเดินตัญญาเวลาเข้าสมาธิก็ เ, เอานี่แหละบางคน ไ, ไปมาถามมาอนาปาญสติมันเกิดปัญญาลหม นี่จะได้สมาถะอย่างเดียวไม่ได้ปัญญาอนาปานสติโอ้ยันได้หมดเลยถ้าคนดูเป็นเอาสติไปจับอารมณ์ให้ใจเข้าชัดชัดเด่ไม่ชัดมันจิตมันเปอยู่ที่เห็นเข้าชัดชัดออกชัดชัดยาวก็รู้ว่ายาวรู้ชัดว่ายาวชัดด้วยสั้นก็รู้ชัด วาสัให้มันชัดชัดถ้ามันชัดจิตมันจะไม่ว่ารู้่ที่ลมหาใจมันเป็นรู้อยู่ที่หนึ่งบ้างแบ่งว่ารู้ที่ลมหาใจต่อมันไม่ชัดนะต้องให้มันชัดชัดเห็นชัดชัดนี่ก็ได้เอาเอามาบางคบลงหรือกําหนดรู้อยู่นั้นไม่ต้องแต่งไม่ต้องปรุงมันอะไร เอาสติกำมันรู้รู้เห่นะเข้าก็รู้ออกก็รูไม่ต้องว่าอะไรก็ได้ยงไงระดึกรู้ก็เอาไปมาก็าลงหายใจจางหายไปนิเบาลเบาลงลหายใจเบาลเาลนก็เดียวตายแล้วหมดเลาเบาเหยียกายแล้วนังกายก็เพื่อลมหายใจเพื่อกายไม่ได้เอากาย กายแลครับดำลงจิตก็โผขึ้นมาตัวผู้รู้ก็โผขึ้นมาเด่นขึ้นมาชัดขึ้นมารู้เฉยรู้เฉยรู้รูเด่นชัดขึ้นมาแล้วก็เอาสติไปจับเอาตัวผู้รู้เอาจิตไปจับเอาตัวผู้รู้อ่าก็จะได้จิตขทเจ้าของได้เจโตวิมุตตเขาว่าได้แตสมารถ ไม่ได้รีบปัั ส, สานาสมาธิทาการรีปรัสนาเพาเป็นของคู่กันดูกายในดูเป็นในกายกายในได้วิปรัสนาเอนกันเห็นลมให้ใจเข้าออกออกายของเลมกายในคือลมให้ใจกายกายมันลมในอนาคต ก็เข้ามาเป็นปัจจุบันออกไปก็เป็นอดีตเห็นกายเห็นกายไม่กายเข้าไปไม่กายเราก็เห็นกายไม่กามีสัตว์คนไม่ดำลมหายใจนะนี่เนี่ดูกายสัตว์แต่ว่ากายก็ดูให้มันเห็นด้มันดูเล่นๆมันไม่ได้ไม่หรอกไม่ตั้งใจดู เวลาลมยังไม่เข้ามากายยังไม่เข้ามากายเราไปอยู่ที่ไหน ม, มันเป็นอนาคตเวลาเข้ามาเป็นปัจจุบันเวลาออกไปเป็นอดีตลูกไม่อดีตกายไม่อดีตกายในอนาคตกายในปัจจุบันมันมีตัวมี ต, มตมนไหมนะฮะมีสัตว์ปุพเพอยู่ในนั้นไหม นี่เห็นกายในกายหเห็นกายสัตวแปลว่า ก, กายนี่ได้ปัญญาในตับฮะนี่คนเร้าไม่ได้ปันญาหน้าบ้า น, นมันจะได้เราไม่รู้จักว่าลมหายใจขงร่กายดินน้ำลมไฟอากาศดินน้ำลมไฟในธาตุสี่ก็คือกายของเรา ทำไมมีแต่ลงไม่มีดินน้ํำดินปนเข้าไปในนั้นแล้วก็เห็นพระสันก็เลยมีคนดังมากกองเอาเรืยนี่แหะมันเข้าไปก็มีลงมีน้ําและอองน้ําันเข้าไปด้วยลมให้ใจอากาศมันมีฝุ่นละอองมีละอองน้ํำละอองอากาศอมีดินมีน้ํามีไปเข้าไปด้วย ลมหายใจมันมีธาตุเข้าไปธาตุดูดีๆท่านรู้รู้จกักนี่เนี่ยสงขอเคาะเรียกว่าลูกเรียกว่ากายมีสว์บุคคนไหมหล่ะกายสัตแต่ว่ากายสติบัติสีบบสพราะพุทธองค์ไม่ได้ดู ก, กายอยากดูกายลมกายทุ่งพวงกายทั้งพวงท่านวา่า น้องตาเรมาคิดเอ๊ะไก่ทําไมทั้งหมดไก่ทั้งปวกไก่ทั้งหมดอ๋อดินน้ําลมไฟทั้งหมดรวมอยู่ที่ดอกนี้เองลมหาใจนี่เรียกว่าไกายทั้งปว ก, กนี่ในนี่ในนี่มันก็มีตัวยานนะตัวยานอีกยานคือตัวผู้รู้อาศัยอยู่ในลมหายใจนะ คืนหนึ่งก็มาพิจารณาดูว่ลมแท้ใจเนี่ยมันหมุนเข้าเนี่ออกอนาคตมาเป็นปัจจุบันอดีตอนาคตปัจจุบันอดีตอนาคตปัจจุบั น, น, บนหมุนอยู่อย่างนี้ท่านจึงตั้งว่าวินลมมันหมุนอยู่เรียกว่าวินวินเนิ่ คำว่าหมุนเป็นภาษาอังกฤษวินหรือเป็นภาษานะตินหรือภาษาอะไรไม่รู้วันนั้นมันผุดขึ้นมาอ๋อคำว่าหมุนนี่นะท่านอยาอวินถ้าใครเป็นลมนะคนคนเป็นลมมันจะวิ่งหมุนลวงโค้งๆเน่ยคนเป็นลมวิ่งเวียนน้ำเงงวีย น, นตะไลเป็นลมวินงวินงตัวเอง ลมเข้าไปไม่สะ็จกก็เลยบินมันหมุ น, นมันหมุนส่วนตัวยานก็คือตัวความรู้ไอ้คนนาลากสักคำว่าบินไม่มีมีแต่ภาษาติดคำว่าบินปลว่าหมุนภาษาบาลีไม่ไม่ไม่มีแต่ฮาคนดูคำว่าบินบินนี่มันมาจากนี้แต่เราเห็น คืนนั้นในการเดินปัญญานเราเข้าใจว่าลมมันหมนหุนเข้าหมนหุนออกเหมือนกับคนเป็นลมนี่มันบินเขาก็เรียกว่าบินบินส่วนตัวยานคือตัวรู้เขาเรียกว่านามบินก็คือกายลมก็คือการตัวยานก็คือจิตเขาจึงเรียกเท่กันว่าวิญญาณ มันตอบจะฟังถามจวของตอบเขาจะเรียกเลยกันว่าวิญญาณวิญญาณมันแม่มาจากไหนเขาก็ตั้งสมมติขึ้นมาท่านลมมันหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนมุนเข้าหมุนออกมุนเข้าหมุนออกเขาก็บินบินไปหลังหมุนยางเรียกว่าก็โลนีเขาเรียกว่าตายตาย ยิบมาอาศัยอยู่ลมเขเรียกว่าลูกกับนาำลูกกับนาำคือคันข้ามมันเข้าไปแล้วก็เกิดเนี่ย ไ, ไม่ไม่ไม่อยู่ไหนเวลาลมให้ใจเข้าไปก็าเรียกว่ายินยานเข้าไปในกายของน้องเขาเรียกว่าเกิดถ้าดูอยากหยามันวิ่งออกมาพ้นไปแต่เมกออกมานิดน มันก็ทิ้งซากศพเราเอาไว้นี่ซากศพที่ไร้วิญญาณชั่วขณะหนึ่งเขาเรียกว่าตายตายชั่วขณะแล้วก็เห็นเกิดเห็นตายเห็นอนิจจังเห็นทุกข์ขังนี่นะน้ตายมันเข้ามันออ ก, ม, อกมันไม่เที่ยงเข้าออแล้วมันมก็ออกนี่นะไม่เห็นนเด่นเดู่เถิดปัญญา นี่แหละเห็นเกิดเห็ น, า น, นตายต้องร้องอ๋อขึ้นมาอ๋อนั่นน่ะถ้าคนไม่มีลมหายใจมันก็ตายเพราะพระองค์เนี่กว่าขมิกะรณ์มรณะตายชั่วขณะหนึ่งมันก็วิ่ ง, ขงเข้าไปอีกมันเข้ามันออกหมุนอยู่อย่างนี้จึงว่าขันห้าลูกกบนัมคือขันห้า หรืดูดูตั้งแต่ลมก็ได้ลมนี่คือตัวลูกคือตัวกายไปถ้าไม่เลยดูไม่ออกผู้จะภาวนาเพื่อให้มันเกิดมันรู้ความจริงมารู้ความจริงคือพิจารณาเนี่ยไม่ให้มันรู้ตามความจริง น, นี่แหละกายในกายไม่ใช่กายกา ย, กายนั้นคือลมในใจเรียกว่ากาย วิ่งเข้าไปในกายก็เรียกว่ากายในกายไม่ได้ไปเห็นที่ไห น, นเห็นขันห้างขันห้าความคิดมันเกิดเกิดที่นี่เวทนานมาเกิดจากลมหายใจนี่จิตมันก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเกิดจากลมหายใจ น, นี่คิดเรื่องนั้ น, เ, น, น, เ, น, เ, น, นเป็นหนึ่งลมหายใจนี่คิดเรื่องนี้ลมหายใจเนี่ ดีใจลงให้ใจเรย น, นี่เสียใจลงให้ใจเรี่น น, นี่เราสังเกตดูได้นี่เลยเห็นการ ย, ยกขึ้นใส่ใตระยันมันเข้าแล้วก็ออกเกิดแล้วก็ตายเป็นอนิจจังทุกครั้งอนาตารไตระยันไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใครเลยเออ หายหายลมหายใจเข้าแล้วอย่าออกนะก็ไม่ได้ออกแล้วอย่าเข้าออนะก็ไม่ได้นี้เาเข้าถึงออกปเป็นอนิจจังทรือขังอนัตตาโยกใส่อดีตอนาคตก็ได้กายในอนาคตวิ่งไหม่ะลมอากาศยังไม่เข้ามาถึงมีสัตว์บุคคลมีเราไหยกายอนาคต กายปัจจุบันนี้ไหมกายอดีตนีไหมลมห้ใจยังไม่มาถึงก็เรียกว่าอนาคตยังไม่เข้ามาลายจนถึงเรียกว่าอนาคตนี่นลมห้ใจเข้ามาถึงไายังหม็เรียกว่าปัจจุบันมันออกไปก็เรียกว่าอาดีตท่านยังตัดไป ย, ยังจิงกี่ลูปังอาตติตานาพัตตะปฏิจรปนังเราสวดไปเม่อกี้ อจจังวาพระหิทาวาโอรานิกังวาสุขุมังวาหินังวาปะนิจังวายันทุเลสั้นติเจวามันเข้ามันออกเป็นสันตติอยู่อย่างนี้ลมหายใจสืบเนื่องกันอยู่อย่างนี้หาระหว่างขั้นไม่ได้เรามันเกิดมันตายอย่างนี้ทุกลมหายใจให้เห็นเกิดทุกตายทุกลมหายใจ อยากศึกไปเอาอะไรคะโยมก็อยากไปหาอะไรโอ้ยมันแช่ลมหายใจเข้าชีวิตของเราอชีวิตก็คือร่างกายจิตใจเรียกว่าชีวิตถ้ายกับใจนี่เขาเรียก่าชีวิตชีวิตของเรามันแช่ลมเข้าลมออกเท่านั้นถ้าลมไม่เข้าเราก็หมดชีวิตเราก็อยู่ไม่ได้ลมไม่ออกก็อยู่ไม่ได้นี่เกิดกับใจ เป็นสันตติกันอยู่อย่างนี้หาระหว่างขั้นไม่ได้นอนหลับแล้วก็เกิดก็ตายอย่างนี้ต้องดูเกิดดูตายมังเห็นน้อยมันจะไม่อะไรอววร อ, อีกเนี่ว่าเกิดแล้กวก็าตายตายแล้วกว็เกิดเกิดแล้วกว็าตายอยู่พระพุทธองค์จึงตัด กับพระ อ, อนุออนอานนท์เธอเห็นความเกิดความตายเธอไว้ไม่กี่ครั้งหลายครั้งอยู่พระเจ้าข้าพระพุทธองค์ว่าไงไหมอานนท์น่นะเธอนี่ตั้งอยู่ในความประมาณแล้วนะเนี่ยประมาณนีหยอานุนเนี่ยนั่งอยู่ในอานุออนพวกเนี่ยประมาณไหมพวกเราท่านท่้งหสมมติว่าเป็นพระอนุประมาณไห ม, ม ท่านให้เห็นทุกลงห้ใจเข้าออกเสียน้อ น, นั่นน่ะเข้าก็เรียกว่าเกิดออกก็เรียกว่าตายมันเกิดมันตายลงหายใจมาทิ้งเอาซากศพเอาไว้เพว่าหนึ่งตายชั่วกันเคยได้ยินไหมละ่ะคาิกะคานิกะมรณะมรณะแปลว่าต า, ตายชั่วขณะตายแบบปกปิด ปฏิชันะเป็ น, นปฏิชัญนะวกปิดเลยพวกเราท่านทั้งหลายยึงไม่กลัวไม่มีอะไรไม่เพราะามันตายแบบวปกปิดเราไม่รู้ว่าเราตายไม่สรุปสังเวชไม่อะไรเลยนะยิังตั้งอยู่ในความปมัดอยู่ ถ้าผู้ใดไม่เห็นอยู่นี่ตลอดวันตลอดคืนน้อยจิตก็ว่างเป็นสมาธิได้เจตโตวิญญาณวิญญาณเนี่ยวนวิญญานณหลุดพ้นจากขันห้าทันทีนะไม่มาเอาอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วขันห้ามันเขา้ามันเกิดมันตายอยู่เช่นอนิจจังทุกขังนัตตาขันอยากขันละเอียดมันก็ตายอยู่นี่ไว้ใจได้ไหมฮะ เอาเป็นสาระที่พื่อนได้ไหมลใหายใจไี่กายนไว้ใจได้ไหมต้องอธิบายให้เดของฟังนี่พูดเห็นยกตัวอย่างใ้ฟังไม่เห็นต้องตามไปดูป่วยลงพยาบาลอะไรจะไม่ช่วยได้เลยฮะไม่มีเดียวไม่มีแรงไม่จะ่ลมหายใจเอาออกซิเจนใส่ช่วยนี่แหละปัญญา มันจะไปรู้ที่ไห น, นรู้เท่าสัองขันไปยอดแห่นงนิสายสังขารทั้งหลายก็เรย่อลงมาแล้วกายกับ ใ, ใจเล่นกับขันห้างขันอยากขันละเอียอย่อลงไปอยู่กายกับใจลมหาใจกับตัวก็รู้มันวิ่งเข้าวิ่งออกอยนี่นะเรียกว่าสังาขารรูปกรรมนามของสองอย่างมาคูณแต่งกันขึ้น เ็เรียกว่าสังขารแปลว่าจิตใจร้างกายจิตใจลงหัยใจคัอกายตัวผู้รู้อยู่นั้นตคือใจกายกับใจนิ่งเข้าวิ่งออกตยูเกิดตายเกิดตายให้เห็นนี่แหละเห็นขันห่างเพื่อนอนนิจจังทุกขังอนัตตาจะไปดูที่ไหน ดูลงหายใจเนี่ยมันง่ายเคยบอกว่าองค์ท้งนเจอยู่รรมวการเดินปัญยายราไปเดินที่อะีรการพิัญญาพิันญาลงใจดวงเดียวบอกท่านนักมวยก็น็อกกันรงไหนกันน็อกที่ใจนี่น็อกที่กายไม่หัวใจนินปีนี่ไม่ดูที่ นี่แหละดูลมหายใจได้ท่านสมาธิได้ทั้งตัญญาด้วยดูไปดูม า, าจิตก็กายแล้งจนะิตแล้งจนะิต ก, ก็สงกลงแตยแต่ความรู้รู้รู้เฉยอยู่ก็ได้เจตุเมื่อมันไม่สมบก็เราก็ได้ปัญญา โอเห็นกายในกายปัญญาเห็นกายในกายคือลมหายใจกายลมวิ่งเข้าไปในกายอยากเห็นวิญญาณของเราวินคือลมวิญญาณคือรู้วิญญาณของเราวิ่ง เ, เขา้าวิ่งออกเลยไม่ได้หยุดเลยเขา้าออกเขา้าออกเกิดตายเกิดตายเลยไว้ใจได้ไหมเอาเป็นสรระที่พึ่งได้ไหมพึ่งได้ไหม พึ่งได้เล่คู่เล่าเท่พาพึ่งจริงจริงไม่ได้เวลามันไม่เข้าเขาไปอยู่ไรกันฮะเวลามันออกใครยังไม่เป็นออกไม่เข้าเข้าไม่ออกให้ดูอย่างนี้อ๋อเนี่ยเราจะเกิดมาหาอะไรเกิดมากระแทกลมหายใจเขาออกกันมาอาศัยเขาอยู่คือเขามาอาศัยลมหายใจเข้าออกา อ, าายอยู่คือเขา แล้วอย่าเกิดมาได้อะไรอีกเกิดมาเอาอะไรอีกจะไปหาเอาอะไรอีกมันไม่ได้หรอกเมื่อมา ก, ก็มามือเปล่าไม่ได้อะไรมาเกิดมาตายก็ไปมือเปล่ามนะันเจะมาจะไปหาอะไรอีกเ <c ười> มื่อเกิดมาเราไม่ได้กำมือ แน่นก็เจงกำมือวันจกมายึดมาถือเอาเวลาตายก็แบมออกบอกอำนาจเนี่ไม่เอาอะไรเลยเวลาเกิดมาเกิดมาวันจำมายึดมาถือมาสร้างมาหาเอากามือแน่นพ่อแม่พี่น้องได้แก้ม่ออกออกมาคำกำปั่นแน่น ไม่เชื่อไปลองดูดูก็ได้ไปเห็นหลายแล้วออกมากำมือแนมเลยเด็กน้อยออกมาจะท่องเอามามาไม่แกมออกมาล้าง ม, มีเลือดมีไขมีอะไรติดกนเลยอ่ามันสะอาด ม, าามานันล้างออกให้อ่ามันล้าเนี่ลาใต้เหรอนีย แบนเลยนะแบนมันเป็นสัญญาวา่าข้าพเจ้าไม่เอาอะไรอีกแล้วไม่เอาอะไรไปด้วยเด้อแบนเนี่ยทมาหาเอาอะไรเห็นไหมล่ะเห็นเห็นเกิดหรือตายไปเลยอย่นีเห็นเกิดหเห็เตายไหมนี่เนี่ยเราจะดับขันห้างเพมันดับดับหน้ามันอยู่ขั้วใหญ่มันอยู่ที่ ลมหายใจพ่วงมันพ่วงบหมีบ่หม่วงไปมินพ่วงมันใดกันใดพ่วงไงมันอยู่ลมหายใจสติประทานซีเลยลมหายใจนี่สติหลู่ลมหายใจนี่สติหลู่อยู่ฉันไปสัญญานู่นอยู่ที่เวทานานะ มีสติสัมปชัญญะรู้อยู่ที่จิตให้มีสติสัมปชัญญะรู้อยู่ที่ธรรมธรรมคือกายวัตใจมันเกิดมันดันดำเป็นธรรมดานสติสัมปชัญญะก็คือปัญญาสติปัญญาสัมปชานุสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะสัมปชานุ สัไปสัญญาณก็นือสติปัญญาเนรู้อยู่ที่กายกายคือกายลมนี่สัมปสัญญาณรู้อยู่ที่วัฏเบดูว่าอย่างไรปัญญาสติปัญญารู้่าการสัต่ว่ากาย ไม่ใช่สัตรรพคนตัวตนเราเขากายร่มเลยมีสัต์รพคนตัวตนเราเขาอยู่ในนี้มันร้อสติปัญญาเรู่ว่ากายคือล่มให้ใจเลยนะไม่ใช่สัตรรพคนตัวตนเราเขาธาตุร่มให้ใจว่ามีเจ้าของกายว่ามีเจ้าของกายหนอกก็ามีเจ้าของกายไม่ว่ามีเจ้าของกายหนอกว่ามีเจ้าของไงกายใน่ว่ามี นี่แล้วไม่มีเจ้าของสัมปชัญญะคือปัญญารู้ว่าไม่มีเจ้าของว่าไม่ใช่สัมบุคคลตัวตนเราเขาเมหน้าก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาล้ใหญ่ใจออกเกิดอนิจจังทุกขรั้งอนัตตาขันหายเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาจึงสรุปเห็นธรรมในธรรม เห็นธรรมอารมณ์อารมณ์เก่าที่จําได้ไหมรู้ตั้งแต่อดีตมามันไหลออกจากใจเราใจเราก็คือลูกภายในอารมณ์ก็คือลูกภาย น, นอ ก, อกนนเรียกใส่กันว่าธรรมอารมณ์คือความคิดเกิดขึ้นคิดไปเลือกอดีตคิดเห็นภาพเห็นรูปเห็นเสียงเห็นแสงที่เราผ่านมาอารมณ์เกิดขึ้น แล้วก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลก็ตนเราเขาเกิดขึ้นแล้วก็เป็นอนิจจังรูปขังอนาาัตตาก็เรียกว่าขันห่านนะขันห่าเกิดดับเป็นอนิจจังรูปขังอนาาัตตาหลักเห็นธรรมในธรรมออธิบายให้เข้าใจที่ทำทำคือธรรมาลุมก็ว่า ทรารมณ์ก็คือลูกภายนอกที่ตาเห็นลูกหูกได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสดตั้งแต่อดีตผ่านมาสัญญาไปจำเอาไว้ที่ใจใจไปจำเอาลูกเสียงกินรูกเอาไว้เวลาว่างๆมันก็อารมณ์ก็ไหลออกมาจากจิตก็ไปใช้เป็นภาคมโนก็เกิดเป็นภาพใจเราก็รู้ว่าเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะ คิดอย่าด่วนว่าเราคิดไม่ใช่เราคิดนั่นเห็นอย่าด่วนว่าเราเห็นทหานเขบอกได้ยินอย่าด่วนว่าเราได้ยินไม่มีเรามีสัตว์บุคคลอยู่ในนั้นกายก็สัตว์แต่ว่ากายเวทานาจิตก็สัตว์แต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาความคิดเกิดขึ้นขันห้ามันเกิดน่ขันห้าก็ไม่มีสัตบุคคลตัวตนเราเขาจะไปมาอะไรนี่แหละ อานาปานสติได้ทั้งสติได้ทัานสมถะและปัญญาและนิปพัสนามันคู่กันอยู่อย่างนี้ถ้าจิตไม่สงกก็เห็นดูไปเลยเลยีเ้เกิดแล้วกว็าตายเกิดแล้วกว็าตายเข้าก็เรียวกว่าเกิดออกก็เรียวกว่าตาย ถ้ามีเราเนี่ยก่เราก็เกิดเราก็ตายอย่ถ้าหลมว่ามีสัมพันตนว่าเรามีอยู่ในลมหายใจเรามีอยู่ในใจเรามีในขันหัน <c oughs> ก็ว่าเราเกิดเราตายอย่ถ้าไม่มีสตัตบุคคลตัวตนอยู่ในขันหันอยู่ในลมหายใจในเวทนาในจิต ขันห่านมันเกิดแล้กวก็ดับนไงเป็นอนิจจังทุกข์นาตานี่แหละทุกข์คืออริยสัจจริงขันห่านมันเกิดมันดับเนี่ยเรียกว่าทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนีแต่อะไ ร, ไรมีอะไรมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นเข้าใจไหมละ่ะทุกข์ตั้งทุกข์ดับไปขันห่าน ล่มไห้ใจเข้าไปก็เรียกว่าเกิดขึ้นทุกเกิดขึ้นพอเข้าไปอยู่นิดเดียวก็ตั้งอยู่นิดเดียวก็เนี่ยทุกตั้งอยู่มันออกมากา็ทุกดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือไม่เทีย่ยงทุกขังทนอยู่ไม่ได้อนัตตาไม่อยู่ได้บังคับบัญชาของคร ทั้นห้าเกิดดับเนี่ยท่านถึงให้กำหนดรู้นี่แหละเรียกว่ามันทุกข์คืออริยสัจจริงให้อย่หางงห้ามลมหายใจเขาออกได้ไหมลหล่ะกันลมเหนี่ยวมือเจ้ากันว่ามันเข่ากันว่ามันออกมันร่วมบอกของวิวย่านอย่าคล้องใจหันใจง่ากึ้นมากอยูห้หามบอกเลยเกิดดับเกิดตายเกิดตาย ขันห้ามันเกิดมันดับอย่านี้ขันในขันนอกก็แปรพรวนเปลี่ยนแปลงเหมือนกันไม่เที่ยงเหมือนกันลูกลูกกายนอกมันเทียงเด้รือไม่กี่เขาเป็นเล็กน้อยหร้อเปไม่กี่พ่ะท่ามก็เกิดใี่ท้องแม่ท่นมันไป็นยุสัยกายกับใจมาเกิดออกมากนาเป็นท่าลกเป็นเล็ก ๆ, ๆตัวเทามากห้องเงาะ ลังคอมล้างหมอกกันนี่แหละมันเที่ยงว่าไก่ไก่หมกอกมันเที่ยงไหมน่ะหัวก็หมอกฟันก็ล้วงก็หล่นแข่งขามันคือเก่าไหมการไปการมามันเที่ยงไหมนะเส้หน้าเสหลังลุ ก, กเป็อาดากลุ้กกวนได้หยัน่นอะอื๊ะ อ, อื๊ มันเที่ยนไหล่ะฮะลูกเกเอาหน้าลูกขึ้นเอาหัวลูกขึ้นมันจเกาไม่ได้เลยน่างกายมันเจ็บต้องเอามือเท้าใส่พื้นเอาก้นลกก่อนมันเที่ยนไอะาเงียเยืยัดเยยือยางเงี้ยเอาไปก็มาสามขาแต่ก่อนมีสองขา เอาเองมาก็สามขานนะฮะไม่เท่าแล้วเท่าแกมันยังจิงสีข่ขามันขั้นอน่อยยังไ็อะยใจมันไปได้อ้่มกูไปไม่น้อนเาหาือนกันที่ไปนัางมันคือโอเรี่งขึ้นกูพักแต่คนน้นแล้วนี่นั่งอย่กงเ ข, า, ขาอย่างนี้นให้เขาอ้่มไป ข่นไปนั่นแหละมันใจมันไม่แก่ไปหนึ่กายมันแก่ไปนี่แหละเห็นไหมล่ะเห็นอันนี้จังไหมละ่ะียมันเที่ยงไหมลกายของเรากายนอกานอกายนอกตายในก็ไม่เทีย่ยงเหมือนกันลมหายใจมันก็เข้าเข้าออกออเป็นอันนี้จังทุกครั้งนั่นตาโยโล ยิ่บอกให้ลมผูกลมแล้วมันเข้าออมันออกเป็นอันนี้จังเรื่องการนานะ่งจาถ้าให้หลมเห็นไตรังจานในลมหายใจก็เรียกว่าเห็นไตรังจาานในขั้นห้าเพราะว่าลมหายใจมันก็มีตัวยานอยู่ลมหายใจเขาเรียกว่าวินตัวยานก็คือตัวลูกตัวโพลูกนะอาศัยอยู่ในลมหายใจมันเรียกว่ายานก็เรียกใส่กันสอง ทำสองศั์หนึ่งสมาธิเทีกันก็เรียกว่าวิญญาณวิญญาณชีวิตเป็นอะไรชีวิตเนี่ยนี่ชีวิตชีวิตของเราก็แช่วิญญาณวิ่งเข้าออกอยู่แค่นี้ชีวิตของเราเอ ถ้าวิญญาณเนี่ยพ่อาบอกชีวิตข อ, องเราก็หมอดม้ม่ยมรณะไปซะชนะอะไรมามาแก้ไขมาอะไรมันไม่ได้หมดบุญแล้วหมดกันเแล้วกรรเก่าทามาแค่นี้สรส้างขาสมขอไทยไม่ช่นี้มาหายน้ำกันกันขึ้นเวลาหายน้ำกันแม่แม่พ่อพ่อ ห้น้ากันนขึ้นอากหาท่งเที่ยววัดพระเดชใจผาดไอ้ลิงมันขึ้นมากปัมพ่อใจซอยเลยมันไปไี้ลมันหายมันไหกระบกขึ้นมากเลยหัวก็เมี่ยใหาน้ากันห้น้าดูน้ำดานนิกันึ่หายไม่กระบอกขึ้นมากมดอะไรใจอยากเลยบอกกูที่หายหัวมันยัง หายเดีวมันก็ขึ้ น, น, น, ม, นมีแด่คนนมวนเศ้าเหนั้นยยังไงหายเมื่อเหนื่อยแล้วก็ขึ้นมีหายนั้่อเหน่อยนี่แหละมันมีแค่นี้ฮะเห็นไหมลมเข้าคั้วใหญ่มันอยู่ที่ลมหายใจเพระพุทธองค์ก็จะเอาันนี่ะอนาปานสติตัดสลูวตัดส ร, ดสรูที่นี่ ไม่จะเป็นรู้ที่ไหนรู้ที่ลมหายใจก็ออกรู้ที่อาณาปานสติอาณาก็ไปว่นลมเข้าตามก็ไปลมออกสติมาแล้วึกดูอย่างนี้กญญ็ได้ทั้งสติสัมปชัญญะได้ทั้งสติได้ทั้งปัญญาได้ทั้งสมถะนิพพาน ล่มเข่าออกแต่เห็นเป็นอนิจจังทุกข์้างอ น, าานัตตากายรออ่มร่มเพื่อกายให้ลงให้ใจเขา้าลงหห้ใจออกมันเขา้ามันออกมันก็ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นี่เดียสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอ น, าานัตตาจะไปหาดูที่ไหน ได้เป็นอนัตตาสิ่งนั้นก็ไม่ใช่เรานะจะไป้าดูที่ไห่เราไม่ใช่นั่นนั่นไม่ใช่ของของเราแนจะหารดูที่ไหนก็รู้ที่นี่นะ่ยตัดสรู้ที่นี่นะ่ยอนาปันสติเนะตัสิรู้ที่นี่นะได้แค่สมถะวิปัสสนา เห็นอย่างนี้แหละมาพ่ออาเพื่อให้ลูกเห็นตามความกินริงเห็นอะไรเห็นกายกับใจเห็นโลกกับนามเห็นขัน้ะเห็นตัวเราเราจริงๆริงไ่ไหมอะไรทีนึงจะมาตั้งเอาลงให้ใจจะเป็นเรากายมันจะเป็นเราไม่มีเราแล้วเนี่ยกายสัต์แต่ว่ากาย สักแต่ว่าเขาตั้งชื่อสมมติว่ากายเฉยไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะเวทนามันเกิดจากรมหายใจนี่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอนิจจัขงขงังนาฏตาไม่ใช่เราเนยะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะเวทนาอ่าเสร มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอัไรมันเกิดจากอยายัดหนาภายในกับภายในกระทบกันมันเกิดจากลมหายใจก็ออกก็ในเวลาถ้ายินดีก็เดี๋ยวสุขเวลานาลมหายใจมันเป็นยังไงเวลาเรายินดีเวลาเรายินลามันลมหายใจไปยังไงเวลาเด็กร้องไห้ สุขหรือมันทุกข์เหเวลาเราลองให้ตางคนที่ตายเลยมันสุขหรือมันทุกข์ลมหยาดหรือลมละเอยียดต้องอยู่ในนี่หมดนะให้เข้าใจเจทนาเขาสักแต่ว่าเจตนากเกิดขึ้นแล้วตั้งดับดับไปเป็นอนิจจังข้ังนั้ตาไม่ใช่สรรพคนตนัวตนเราเขาก็อยู่ในนี่หมดเออให้พากันภาวนาเอา ภาวนาเอาภาวนาเปลว่าการกระทั่งพันั่งทำเอาทาอะไรทําใจโยคลองนย่างนะให้เกิดความสงบขึ้นเราเรียกว่าสมถาภาวนาทําจิตให้สงบทำใจอยนีน้เกิดปัญญาเราเรียกว่าลิปัสนาภาวนาทําลงที่ไหนอย่างน่้ฮะ ท, า, ทาลงที่อนาัปปานสติ ใจเราก็อยู่ในลมนี่แหละทำใจทำใจให่สบุบทำใจให้เกิดปัญญามีแค่นี้ปัญญาจะรู้เห็นตามความเป็นจริงร่ะเห็นมาลมให้ใจเห็นว่ากายวิ่งเห็นกายในกายวิ่งเข้าไปออกไม่ใช่สัตว์พุคคนตัวตนของเขาเรียกว่าอัศสาปฏัศ ส, ะสะววาโยกกายเรื่องสคยๆ ลมให้ใจมันเรียกปรุงแต่งกายนอกให้อยู่ได้ท่านก็ตั้งชื่อว่ากายย่สั้ขาดถ้าไม่มีลมให้ใจเรียปรุงแต่งกายมอกก็อยู่ไม่ได้เอาใครจะอยู่ได้ถ้าลมให้ใจไมเนะ่เข้านะเข้าแล้วไม่ออกอยู่ได้ไมแต่ไม่ไม่ออกไม่ได้เนี่เรียกว่าทุกข์หรืออริยสกิง จะไปหาดูทุกที่เล่ตองกั้นใจวังรูว่าให้ล่วเข่าร่วออกร่วงกั้นใจไว้มันสุขหรือมันทุกข์อ่าไม่ให้มันเข้าไม่ออกลองดูมันสุขหรือมันทุกข์นี่แหละทุกข์มันเข้ามันออกเนี่ยไม่ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ต่างอยู่ทุกข์ดับไปไม่มีอะไรตลอดวันมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ตั้งมีแต่ทุกข์ดับไป ทุกคืออะไรคือคันหานรู้ก่อนนั่นคือคันหานมันเข้าไปเลยออกมานเลตั้งใจพัดดีดีเนี่ยเอานอนมันบรรลุแล้วตีอย่างนี้ฟังออกให้มันเข้าใจให้มนบรรลุบรรลุไปว่าเกิดความรู้เกิดปัญญาบรรลุแลรู้เท่าเข้าถึง ปัญญาลู้เท่าขันห้าความรู้เข้าไปถึงจิตถึงใจแล้วรู้เท่าเข้าถึงจะไปหาที่ไหนจะไปถามใครบ้าผมนี่ดับขันห้าแล้วเต้ผมรู้ว่าไกลผมบอกมิธิ์พวกคนตัวตวอยู่นนี่เาไปลงาฟไม่ทามใครก็รู้จำไพ่เจ้าของว เราฟ้องเห็นไหม่ะขันหักขันหักคืออะไรสอนอย่า ง, า ง, างบวกสอนออกก็สอนนักเรียนแล้วไมใ่ใจก็คือลูกไม่ไม่คือไก่ใจก็คือน้ำลูกกำนัำ่งแล่นเข่าแล่นออกด้วยลูกกำนัำ่งก็เกิว่าขันหักขันขันหน่อ ข, นนขันละเอียด มันซ่อนกันอยู่นี่ขันหยาบขันะอะไรอย่างนี้นปณิภุรุแล้วพบที่เป็นสมาธ์ทที่ขันปณิภลุชาตญลูกสมาธ์ทที่เป็นว่าขันปณิอันฑ์อะัรยังมีพบอยู่เลยนพบที่เป็นลูกชาติพบที่เป็นอรุษชาติ มันต้องเขาใจว่านี่มัดได้ภาวนารู้เห็นนำว่ามันจริงใส้ปัญญาเดินไปนั่ง่ามันม่นเอาน่นป่ออยู่ว่ารู้ตนวผู้บเนี่ยวิหันบ่ได้ปัญญาก็ได้สมถะถึงวันนี้มึงล่ำให้ใจฟังไปกับเขาใจไปมึงตองมึงพิจนามึงล่เขาล่หนักล่ำหนา มันทุกข์คือมันสุขมันบอกไปขาใจหามันว้ามันสร้างหงโง่แบนั้นแต่เกิดมากถึงคนไม่ว่าจะเด่มาคนอยู่ขัานอย่างไรมาเฝ้ามาบอกมาคุยยังดูดเลยแต่มเงาหนมาเงคือเหนี่ยวนี่ยเ้ยมา่าอะยางเล้ามันเป็นงไรมันรู้สึกสุขหรือทุกข์ แา่ร nh e. ่มหายใจละเอียดล่มังนมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แน่เบื้องสั้นด้วเทียบเบื้งแง่เล็กน้อยให้แง่เจ้าของให้คือกาะคือกาะคือแม่นะมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่แหละเพื่อเอื้อเวทนามันเกิดจากร่นร่มยามงานเป็เวทนาทุกข์เขาเวทนาเกิดกันเ้าอย่าันหิมจักอัน เวท น, นาก็มีตัวตนสับคุ้มค้นด้มันเกิดจาล้มหายใจหยาบเวลาล้มหายใจละเอียดอารมณ์มันดีๆมันก็เป็นสุกขึ้นมาเนี่ยยิ่งเล้วเอันเอียดเนี่ยลมหายใจหายกายเ่ามีเงี้ยสุกสุกอันประนีตลงไปอีกสังเกตอย่งนี้เ่มอมันบอกสีบ้าให้ใครฟังใั้มั น, นลับ เออท่านบรรลุแล้วบอกว่าตรงมากเพราะจะมาฟังอะไรเราถ่าบ่เลยท่านบรรลุแล้วก็ฟังไปเองกสักวันนี่สมถะมีปัจฉนาอาหนหาป่านสตินี่ได้ท่านสมถะและมีปัสฉนามันเป็นของคู่กันอยู่นี่ถ้าจับล่มหายกายว่ามีล่มละเอียดล่มไปจนว่าล่มหายไกลว่ามีนีน่มันสูบเนี่ย เอกัตาลมมันก็สู้กับเอกัตาลมนี่แหละเกิดเวทนาในสมาธิเห็นในสมาธิเวทนานเวทนาสุขคุ้งเวทนาปานิชมันเห็นอย่งซีมันเกิดแล้วกระดับมันเป็นอนิจจังทุกข์นัตตากตะทำให้มันรู้เวทนามันบวเทียง ผมเห็นไม่สามารถที่มันเกิดได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามารถที่ท้อออกไปมันก็ตัเวทนานหนานก็หายไปเรียกว่ามันอันนี้จังมันบดเทียงมันบดแผนเทียมมันก็เป็นอยนหรือมันมันเบนเวทนานเวลาท้อออกจากสามารถที่มันหายให้สังเกตหนึงสี่เพียนหน้าหนึ่งสี่ซ้อนหนึ่งสี่ออื สัเหนียบบางสี่จิตเพื่นเออนสัเนียบเอพีจะหน้าบังซ้อมบังีิ ส, ต, ลล ส, ส, ต, สตินั่นแหละแล้วลึกลู่ยี่สสติไอ้ีสตินี่สติคือซ้อมบังแลลึกลู่บังซ้อมบังพี่หน้าบังีิสติอ้พ่หาบงญไปอี เห็นกาเนี่ยไกก็บึงย่างนี้เลยมันแม่งไก่เนี่ยไก่วนีแบบบึ้งคนว่าก่เนี่ยไก่มันรุมให้ใจเพือเอ็นไก่เนี่ยไก่กระส้วนหจักว่าไก่นยไก่ล้วสอนรับมันที่ไปจักไก่เน่ยไก่งมันเล่นเข้าไปไน่ยไก่หนักกาแล้วละเอียดเล่นเข้าไปเนี่ยกเขาออกเขาเกิดตายเกิดตายก็เห็นอันนี้จังทุกครั้งนะจตงไมทังเห็นเกิดเห็นตาย เนมันมาเทยบเกิดแล้วก็ตายเมันหน่วงมันเว่เป็นสันตติอยู่อย่างนี้สันตติแปลว่าสืบเนื่องกันตอกันรู้สิขันมีระรางขันล้มก็เข่าหรือล้มหัวอกใจที่มันมาตายเพราะว่าสันตติสันตติแปลว่ามันสืบเนื่องกันก็ตอนกันเลยถึงลมให้ใจ น, น้อมันม่เนี่ยว่าคันบอเขาาออกมันตายแล้วมันเป็่นสันตติเพื่อนเร า, าสันตติแปลว่าเสื่อเนี่ยต่อกันนี่แหละเห็นขั้นหางเกิดดักนี่แหละอีดังดูขั้นอริยสัจจติเมนิขเวนเขากดดุมเอาไ้รู้สนี่นี่แหละทุกข์นี่คืออริยสัจจริง ว่าด้ปดูรอไดกอีดังโลกข้างอริยสัจติเมีภะเวอุเพอนมุมาสุเตสุมาเซสุเนจักภูอุดะปาริญาณอุดะปริปัญญะปริอโลโกอุปนี่แหละทุกคืออริยสัจจริงคือล่องหายใจเขาออกนี่แหละทุกทุกเกิดขึ้นทุกดับไปทุกต่างอยู่ทุกดับไปนี่แหละคืออริยสัจจริง ซึ่งแต่ก่อนเราไม่รู้ไม่เห็นมาก่อนบ่เพศแปลว่าปางก่อนไม่แปลว่าก่อนนุ่มสุเตศุมัชเชศุเราไม่รู้ไม่เห็นมากแต่ก่อ น, นเขาใหญ่ไปอริยสัจสี่ว่านนี่คือทุกข์นี่คืออริยสัจจริงเป็นความจริงอริยสัจสัจจะคือความจริง มันต้องเกิดต้องตายอยู่นี่ลมหายใจต้องเข้าต้องออกอยู่นี่ขันห้าต้องเกิดต้องตายอยู่นี่ตายส้วแขนาจิตก็อธิบายในยบางแรื่อยังไม่เอาว่า น, นฟังยังงงเลยสมอกให้พีฟังหน่อยนี่แหละอนุมัติสุเตสุมัตเชสุบุเพศแลว้กวกก่อนเราให้รู้มา ต, ตั้งแต่ก่อนว่า นี่คือทุกอริยสัจจริงเป็นสิ่งที่ควรกำลังรู้หน่อปรินเยรอ่านี่แหละอิดังดุขมอริยสัจจริเมภิภเวมุพเอนุมัสสุเตสุภัสเสสุลจะุมุญปาริญาณุบุญปาิปัญญาบุญปาดิวิชาบุญปาิอโลกะุญาิจขุน ปัญญาจักคุคือต่ไม่คือปัญญาไม่เกิดขึ้นแกเราแล้วปัญญาไม่เกิดขึ้นแกเราแล้วมิชาได้เกิดขึ้นแกเราแล้วอโลโกแสงสว่างไม่เกิดขึ้นแกเราแล้วซึ่งท่านที่เราไม่รู้มาตั้งแต่ก่อนนี่คือทุกนี่นี่คือทูก เป็นสิ่งที่ควรกันวรรลุนี่การบรรู้ว่าใครเป็นคนทุกข์ใครทุกข์นี่นี่คือทุกข์นี่คือเหตุกเกิดแห่งทุกข์นี่คือความดับทุกข์นี่คือแนวทางปฏิบัติดับทุกข์มันมาอยู่ที่ไหน เหตุเกิดแห่งทุกข์ก็เพาะเราไม่ไม่หลงันห้าม่เดเอาันห้าลว่ามีตัวตนสตค้นอยู่ในเนี่ยเพิ่งยังแห่งมืสติปัญซีนกายสัตว์วกายสติสัมปชัญญูกว่ากายสัตว์เทวกายสติปัญญาสติสััญ ดูว่าไก่พ่่มเงาเจสตวแต่ว่าเขาตั้งชื่อวกานไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเานี่ยนน่ะจิตจคือกันไม่ใช่สัตว์บุคคลเราเขาขันหานไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเพื่อในกานรน่รูย้สยสตั้งโคปนิยนตุขานิยสสจัมพาอะไรแาเวตคัาติเมธิกาเมนปลิญเจยดเ ปัญญาแป ล, ลว่ากำหนดรู้ปริญญาคือรู้แล้วเนี่ยปัญญาปัญญาแปลคำว่ากำหนดูกกำหนดรู้ว่านี่แหละคือทุกข์มันเกิดแล้วก็ดับนี่ขันห้าเกิดแล้วก็ดับไม่มีสตัตว์ปุพเพตัวเนมันเป็นเรื่องของลูกท่านาทำท่านยิงอาศัยกันเกิดกายกับใจยิงอาศัยกันเกิด ลูกกับน้ำเป็นปัจจัยยิงอาศัยกันเกิดเรียกว่าอัญญะอันยะปัจจัยกําหนุลู่อย่างนี้ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนี้เวทนาก็เหมือนกันเกิดแล้วก็ดับไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยนู่นั่นสิไปหาฟังทั้งหนอีกนี่แหละอริยสัจสีขันหาลูกขันห้าด้วยอริยสัจสี่เทศเนี่ยั่งทั้ ง, งสี่ไม่รู้ทา้ไหนอีก ขันหาอันนั้นก็มีเป็นขันเน่าขันเหม็นขันละเอียดขื้นร่มหายใจขึ้นลูกละเอียดอ่ากบวกไปเองสี่อนในลูกในร่มหายใจมันก็นมีตัวผู้ลูกตัววิญญาณเป็ น, นตัว่าณนั่นึ่งร่คือวิญญาณคือตัวลูกมับวกใท่กันวกจันสิเป็นข้าวฟ่างไดไ มันเขามันออกกันเรียกว่าไม่มีอะไรเกิดไม่ได้ทุกเกิดขึ้นไม่ได้ทุกตั้งอ่มให้ใจเขาออกน่ะคือทุกเกิดขึ้นเข้าใจไหมมันไปดูเไยชั้นข้ามันก็ปดัดออกมาก็เรียกว่าทุกดับไปตลอดวันมันมีอะไรไม่ได้ทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกดับไปคลิกตรงนี้ของหนะึ่งอุท่านขึ้นมานี่ยังเกิดล่มให้ใจเขาออกนี่แ่ะ เกิดขึ้นตั้งยู้ดับไปเป็นอนิจจังทุกครั้งนั้นต่าจะไปหาดูที่ไหนถ้าไม่พิจารณาดูม่ถ้าไม่ดูไม่ฟังจะไม่เทศน์กันฟังนอนหลับฟังห้องเวรปัญกล้ถึก่าหมอกมอกแม่งยั่ไงอ่าฟังให้มันเข้าใจให้มันเห็น นี่นะทุกข์คืออริยส ก, กิงปรินเยยเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรูนน้นี่พระพุทธองค์ไม่ได้รู้มาแต่ก่อนบุเพอนุมัสดสุเตสุเนี่ยนะหเ้าทวงอยู่ว่าจะคงอุณะปาดิาานเตะจะคงตาว่ามันตาที่มันเด็กตามนตาเหนือต่นนะั้นมันมีทังแก้เกิด ตาปัญญาเนี่เขาก็ได้เกิดเึ็นไหมวันนี้ผู้ได้สู่อได้สอนคนเมื่อก่อนว่าทุกข์นี่คือทุกข์นี่คืออริยสัจจริงเป็นสิ่งที่ควรกำเนิดรู้กำเนิดรู้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เต็มอุปทานเอามายึดมาถือเอาเพื่อไม่ให้มันเกิดสมุทัยเหตุเกิดแห่งทุกข์มันจะเกิดปัญหาถึงหน้า สมุทยัยตามอัตตนาภวา ต, า ม, าาตมันจะเกิดเหตุสมุทยัยคือเหตุเกิดทุกข์ถ้าเราไปอุปทานเอาถ้าเราไปหลงว่าสำคัญตนเราว่าเรามีอยู่ในลมหายใจลมหายใจเป็นเราใจเป็นเราลมหายใจเป็นเราเราก็จะไปอุปทานเอา ขันหันหว่าเรายอากอุปทานขันหันมันคือทุกข์ถ้าเราไม่อุปทานเอาว่าทาาา ท, าที่สุดแห่งทุกข์ได้ก็ดับสมมติให้ลุเหตุเกิดแห่งทุกข์ดับนี่โลภเกิดขึ้นทั้นต้อนี่โลทแต่ว่าดับดับทุกข์ได้ มันก็มีแค่นี้ไม่มีอะไระไรยากเย็ยนเขียนใจอะไรสมรถะกับวิปัสสนาเป็นของคู่กันดูลงหายใจอาณาปานสตินี่ถ้าไม่สงบถ้าไม่สงบก็ได้วิปัสสนากับสมถะเนี่ยมันเป็นของคู่กันอย่างนี้ถ้าลมหายใจ ระ ง, งับดับไปก็ได้สมถะเบิ้งใบเบื้งมางมันดับเองเป็นอเนองหลกดร่มถ้าเห็นมันเข้ามันออกเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาเันเรียกว่าได้ลิปัสนาทำ ม, มันก็ได้แค่นี้ทำอะไรยังไม่ได้ <c oughs> ง่ายแค่นี้แหละยังจะไม่ทําเอาอยู่หรือชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเลย เอกับทีชละสักยะทิฏฐิได้พปัสดาบังเห็นว่ากันธาเป็นตนตนเป็นกันธากันธาเนีน่ยในต้นต้นเป็นยังในกันธทิฏฐินี่เห็นว่าความเห็นนี่ดับความเห็นผิดได้ความเห็นถูกปลอกก็เกิดขึ้นมาซัำมาทิฏฐิก็เกิด ไม่อยู่ไกลหรอกพากันทําเอาเห็นว่าไม่มีสัตว์บุคคตัวตนอยู่ในขันหันเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิกันก็เรียกว่าปัญญาการเดียวกันนั่นแหละไม่อยู่ไกลไม่อยู่ไกลพากันเอาอพูดมาก่็นานพอสมควรนั่นแหละให้เรานั่งต่อไปอีกเอาส ม, มาธิให้มันเกิดสกักก่อนตั้งใจเอาให้ได้คืนนี้แหละ